ครับผมคุณโกสอ่าเข้าถึงสุญญาตาแล้ว ย, ยังครับผมยังครับสุดเป็นบางวันครับอืมเอารูปคนอื่นเข้าไปเล่นเดี๋ยวก็นั่นอีกหรอกเขาก็งอนใส่หรอกเขาเปลี่ยนแล้วนะงอนใส่อีกหรอกคุณโชติศาสคุยอะไรไหมก่อนจะปิดนะครับเดี๋ยวว่าจะปิดทักสี่ครึ่งนะเพราะว่าดูแล้วประเด็นมันเริ่ม เริ่มแบบไม่ค่อยเข้มข้นแล้วนะครับผมก็เริ่มเบาๆแล้วสวัสดีครับอาจารย์โชโฮดีครับขออนุญาตมาเจิมตอนท้ายๆก็ได้นะครับผมเมื่อกี้เชิญ อ, อาจารย์เทนซิงอาจารย์เทนซิงไม่ว่างมั้งอยากให้วันนั้นนะมีอยู่วันหนึ่งที่แบบคุยกันอาจารย์เทนซิงบอกว่าบอกว่าอะไรนะสรรพสิ่งเริ่มต้นจากสุญยตาเนี่ยทำนองนี้พูดทำนองนี้อาจารย์โชโฮพอมีข้อมูลไหมครับเรื่องเรื่อง ปัจจัตรงนี้ครับผมอืมเอ่อไม่ทราบ <laughs> สับพพสิ่งเริ่มต้นจากสุญญาตามันก็ถูกอะ่ะเพราะว่าสัพเพราะว่าเดิมทีมันไม่มีอะไรอยู่เลยมันเป็นสุญญาตาทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าสพรพพสิ่งมีอยู่นั่นนั่นก็เป็นความเข้าใจผิดถ้าบอกว่าสรพพสิงไม่มีอยู่นั่นก็เป็นความเข้าใจผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสพรพพสิ่งเนี่ยมันเป็นสุญญาตาอยู่แล้วไม่ว่ามันจะมีหรือไม่มีก็ตามะฮะ เาะันเรบอกว่าสรรพสิ่งถูกสร้างจากสุญญ า, าก็ได้เพราะว่าถึงแม้จะถูกสร้างขึ้นมามันก็ไปสุญญาตาอยู่ดีฮรแล้วถ้าเกิดว่าในในใ น, ในทางปรัชญาแบบนี้ยมันจะไปขัดแย้งกับทิชรีที่มีอวัดมีพระวชริรสัตหรือว่ามีทฤษฎีของเออาทิพุท ธ, ธะอะไรงี้ไหมครับผมหม่หมายถึงอะไรครับก็หมายถึงว่าบางบางกลุ่มเขาจะมีความเชื่อว่าเออ่ อาธิพุทธะเป็นผู้สร้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมไอความคิดแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยมันมันมาจากคําอธิบายบางอย่างที่เกิดความสับสนในการในการที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพุทธในสายวัชรยานหรือว่าในสายที่มีแง่มุมอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นในชิงงอนหรือว่าในในมวลตรัยาณอะไรทํานองเนี้ยเออโดยความเป็นจริงแล้วสภาวธรรม ของความเป็นอธิปุทาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสภาวะธรรมมากกว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบของตัวตนที่เป็นสิ่งที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นว่าการที่บุคคลเจนพผู้เทใจได้เนี่ยก็ต้องประกอบด้วยสิ่งสําคัญ2 ส, สิ่งคือความมีปัญญากับกรุณาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวปัญญากับกรุณาเนี่ยแหละก็คือตัวสภาวะที่เป็นพระอธิพุทธหรือตัวที่เป็นธรรมกายครับอย่างเช่นว่าพระแม่ตาราที่เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์แห่งแห่งความกรุณาแล้วก็ พวงความมีปัญญาไปด้วยเนี่ยเพราะก็ถือว่าพระแม่ตาราก็ตามหรือพระนางปัญญาปารมิตาก็ตามก็เป็นพระมารดาของผู้เจ้าทั้งหลายเพราะว่าผู้เจ a j ทั้งหลายต้องกําเนิดขึ้นด้วยปัญญากับกรุณาเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงเรื่องของความเป็นปัญญากับกรุณาเนี่ยมันก็เลยผูกยงไปสู่ความเป็นสุญญ า, าอยู่ดีฮะเพราะว่าปัญญามันก็คือการเห็นแจ้งในสุญญ า, าแล้วก็เมื่อเรามีสุญญ า, าเราจึงมีความการุณาเพราเรามีความการุณาเราจึงสามารถที่จะ มองเห็นสรรพสัตว์ไม่แตกต่างกันแล้วก็ชุสรสรรพสัตว์ได้เพราะว่าเราก็ถึงสภาวะแห่งสุญญาตาครับอ๋อกลายเป็นบุคลาธิฐานใช่ครับ ไ, ไปเลยญญาาแบบนั้นสุญญาตาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรอยู่เลยใช่ไหมครับแต่คือคือค อ, อาจจะมีอยู่ลหลายๆสิ่งก็ได้แต่ว่าไอที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสภาวะมันเป็นสุญญาตาใช่ครับก็คื อ, อไม่ได้มีอะไรเที่ยงแท้ คือคือมันมีลักษณะคาําอธิบายอยู่หลายสำนักเหมือนกันฮะบางสำนักเนี่ยถือว่าสุญญตาเป็นสภาวธรรมแบบหนึ่งที่มีความความยิ่งใหญ่ในตัวมันเองอะ่ะแล้วก็สิ่งนี้ถือว่าเป็นสุญญตากับอีกความหมายหนึ่งก็คือสุญญตาเนี่ยเช่นในความหมายถึงความว่างเปล่าจากการบ่งบอกว่าสิ่งนี้เป็นอะไรกันแน่เพราะว่าในทัศนคติของในฝ่ายมทัทยมิกเนี่ยเขาจะบอกว่าสุญญตาเนี่ยที่จริงแล้วเป็น การปฏิเสธสิ่งที่เราจะบอกว่ามันเป็นอะไรกันยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่ามีความยาวกับความสั้นความยาวกับความสั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ความยาวกับความสั้นมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราต้องมีการเปรียบเทียบกันยกตัวอย่างเช่นเรามีเส้น2เส้นระหว่างเส้นหนึงยาว1เมตรอีกเส้นหนึงยาว3เมตรแล้วก็บอกว่าส m, เส้นที่ยาว1เมตรเนี่ยมันสั้นกว่าเส้นที่ยาว3เมตรเส้นที่ยาว3เมตรมันก็ยาวกว่าใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเกิดมีเส้นอีกเส้นหนึงขึ้นมาแล้วเส้นนี้ยาว5เมตรแสดงว่ามันต้องยาวกว่ า, สาเสาเ้น3เมตรเส้น3เมตรก็จะกลายเป็นเส้นที่สั้นกว่าไปทันทีทั้งที่แต่เดิมเนี่ยไอ้สเส้น3เมตรมันยาวกว่าเส้น1เมตรแสดงว่าความอยากกับความสั้นมันจะเกิดจากความเปรียนเท่ากันในเมื่อมันเกิดจากความเปรียนเท่ากันก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงไม่มีสิ่งที่เป็นอยู่ได้โดยตัวมันเองมันต้องอาศัยแอ บ, บอิงอยู่กับสิ่งอื่นด้วยลักษณะที่มันเป็นสิ่งที่กําเนิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยเนีีี่่่่มมนงเป็สสสภาวาวทไทไิแกร สิ่งนั้นจึ ง, ปงเป็นศูนตาครับโอ้ oh, สุดยอดสุดยอดผมถามแปลกๆไหมฮะพวกค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์เนี่ยครับอย่างความเร็วแสงค่าพายอะไรพวกเนี้ยครับเราเราจะอธิบายว่าเป็นศูนยาตาอย่างไรฮะอย่างความเร็วแสงมันไม่ต้องเทียบกับอะไรแต่ว่าก็เร็วเท่าเดิ ม, ม, มแมนประเทศของคุณเร็วเสียงอยู่ดีไหม คือคือความเร็วแสงถึงถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่อลอดเราอาจจะไม่ได้เปเรียบเทียบกับอะไรหรือเปล่าก็ตามคือมันเป็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่มันอยู่อย่างนั้นเมื่อต้องอาศัยเหตุปัจจัยอยู่ดีใช่ไหมฮะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการทําให้เกิดความเร็วแสงขึ้นมาแล้วก็สิ่งนั้นมันก็ต้องมีการยกขึ้นมาเพื่อเปเรียบเทียบกับสิ่งอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เนี่ยเอ่ออาจจ ะ, ะเสถียรท่านเคยบอกว่ามันเป็นสุญญตาเเี่่่่ยยกคคะาาาือออววมมมงลลไไรู แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าถ้าเราจะอธิบายความหมายจริงๆคือมันหยมีอยู่โดยที่มันไม่ได้เป็นอะไรมันมีอยู่โดยที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย ค, คล้ายๆกับ<ม>เอ่อผมยกตัวอย่างผมน่าต่เข้าใจผิดเองแล้วแหละเหมือนครัครม อ, ม, อมันมีโฟตอนอยู่แล้วคําพูดนึงอะนะฮะในในถ้าจะไม่ผิดในเถรีคาถานี่แหละมั้งหรือว่าในมารสังยุทธเนี่ยผมจำไม่แน่ชัดแล้วมาเนี่ยมาถาม วชิลาพิสุณีเรื่องเกี่ยวกับความมีตัวตนของสิ่งต่างๆแล้ววชิลาภิสุณีท่านก็บอกว่าเออมาเนี่ยคิดว่าอะไรเป็นตัวตนเหรอเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนไหมร่างกายมันก็ต้องประกอบจากสิ่งที่เป็นเหตุปฏิเสธกันและการจึงเรื่อเป็นร่างกายเป็นตัวฉันเป็นตัวแกใช่ไหมรถคันนึงก็ต้องประกอบจากเพลาจากล้อจากดุมอะไรต่างๆถึงจะเรียกว่าเป็นรถได้ใช่ไหมเมื่อแยกสิ่งต่างๆออกมาแล้วเนี่ยมันจึงไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นรถได้เลยจริงไหม เช่นเดียวกับตัวเราเนี่ยเราอาจจะแยกเซลลต่างๆออกมาแล้วเราจะบอกว่าอะไรเป็นตัวเรากันแน่ไตารหรือเปล่าเป็นตัวเราหูหรือเปล่าเป็นตัวเราจมูกหรอเาเป็นตัวเราแต่พอบอกว่าไอ้ น, นี่คือจมูกเนี่ยเราก็บอกว่าไอ้จมูกนี่มันมันเป็นจมูกจริงๆหรอเพราะเราแยกเซลล์ออกมามันก็ไม่ใช่จมกูกใช่ไหมก็มันก็เป็นเซลล์ประกอบกันใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเออ น, นี้เรามีส่วนประกอบที่เป็นเซลล์ต่างๆแต่ว่าในเซลล์ mean, it, มันก็ประกอบด้วยนิวเคลียสมันประกอบด้วยสารประกอบอะไรต่างๆแล้วมันก็พอลองแยกย่อยไปอีกมันจึงไม่มีอะไรอยู่จริงๆเ สุดท้ายแล้วเราก็เลยต้องอาศัยสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยก็ต้องอาศัยการเปรียบเทียบอยู่ดีอะฮะเพราะฉะนั้นสุญญตาเนี่ยมันจึง ม, มีมีหลายสำนักในการให้ความหมายกับสุญญตาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจคอนเซปต์ง่ายๆเนี่ยสุญญตาหมายถึงความมีอยู่เป็นอยู่ในสิ่งต่างๆซึ่งมันไม่ได้มีอยู่โดยความเป็นอะไรแต่มันมีอยู่โดยความไม่ได้เป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะความจรเขามีเซกชันจะคุยเรื่องสุญญตาเหมือนกันนะแต่ว่ายัง ยังยังหาเวลาไม่ได้ครับแต่แต่แตประมาณนี้ <Yeah. S 1> แล้วถ้าแนวคิดที่ตรงข้ามกับสุนยะตาเลยเขาจะเรียกว่าอะไรครับก็เขาเรียกเป็อัตตาครับผู้สร้างอย่างนี้แหรอครับ <c oughs> ใช่ครับมันแล้วแต่จะให้ความหมายให้เชื่อว่าหลากักๆง่ายง่ายๆเขาก็ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเลยท่านน้องนี่แหละครับเป็นอัตตมันเป็นเป็นสิ่งที่รวมรวมทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอย่างในการ์ตูนเรื่อง mahiro academy ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นมาจากสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย all for one อะไรก็ว่ากันไปอะ เฟิร์สคอร์ไงเฟิร์สคอร์เอออย่างเช่นว่าไอตอนที่ในมหาภารตะใช่ไหมล่ะในภาคกัตกิตาเนี่ยแล้วกิริยานาแสดงวิศวรรูปให้อรชุนดูอะว่าเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยก็คือกิริยะทุกอย่างก็คือก็คือนารายใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าถ้าพูดตามความเป็นคอนเซ็ปต์ของพุทธศาสนามันมันก็ไม่มีนารายด้วยซ้ำไปมันไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนั้นอะ อย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าในในในทุ่งกุลุเกษตรแล้วมีคนหนึ่งที่บอกว่าเออฉันไม่เห็นอะไรเลยว่าชศรษฐกิจสนาอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมติว่าเป็นท่านนาคาราชุนท่านจะบอกว่าฉันไม่เห็นมีอะไรเลยวะอะไรประมาณนี้โอได้ประโยคดี้มาตอบท้ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่า เดี๋ยวมีอะไรอีกไหมถ้าไม่ถ้าถ้า ม, มีจะได้ให้คุยนะครับถ้าไม่มีผมก็จะว่าจะปิดแล้วเพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานเวลาอัดเวลาอะไรนี้มันจะมันจะไม่เวิร์กเนาะก็อันนี้ดีจะลง youtube นะครับผมเปิด Channel ใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะลง youtube ให้ฟังกันด้วยนะครับจะไม่ตัดนะครับเอาสดตามนี้เลยนะครับมีอะไรอีกไหมเชิญครับผมผมพอครับถามท่านนะครับ พระธรรมเนี้ยครับครับพระธรรมนี่ก็เป็นเป็นยังเป็นไตลักษ์ใช่ไหมพระธรรมเป็นไตลักษณ์ไหมต้องแยกก่อนนะครับมีมีมีธรรมที่ปรุงแต่งสังฆตรธรรมกับธรรมที่ไม่ปรุงแต่งคืออาสังฆตรธรรมครับอาสังฆตะธรรมอาสังฆตรธรรมไม่ใช่ไม่ใช่อนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาครับ แต่ถ้าเป็นสังกตรธรรมก็เป็นเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาครับแต่ถ้าเป็นอสังคตรธรรมจะเป็น เ, เดี๋ยวนะนิจจังทุวังแล้วก็สัตตังแปลว่า อ, อ, อะไรนะทุวังเที่ยงเที่ยงแท้ อนิจังยั่งยืนนะครับแล้วก็สัสตังคือมั่นคง<笑><笑>ก็คือคือนิพานก็มีไตรักษ์แบบนิพานนะครับทุกวางนิจังสัสตังแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเอามาพูดเท่าไหร่แต่มันมีในคัมภีร์อยู่ครับผมก็เป็นเป็นธรรมที่แบบว่าตรงกันข้ามกับไตรักษณ์ของของสังสารวัตรแล้วกันเนาะแต่ถ้า คืออย่างถ้าผมยึดติดในธรรมเนี้ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับจันเทนซิงอ่อเรียกว่าเป็นฉันทะครับฉันทะวิยาจิตตาวิมังสาครับเป็นชอบอะไรนี้ใช่ไหมใช่ฉันทะวิยาจิตตาวิมังสาก็คือไม่ได้ทําให้เกิดทุกใช่จันเทนซิงไม่ว่างไม่เป็นไรครับผ ม, ม, มก็ทุวางอะไรนะทุวางนิจจังสัตตังนะครับ มีอยู่นะครับก็เป็นไตลักษณ์ของนิพานนอะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยใช้กันไม่ค่อยเรียกเขา่าไตาลักษ์กันแติมก็เป็นไตลักษ์แหละไตลักษ์กของนิพานมีอยู่ครับอยู่ในคำพี์อยู่ในเถรวาท ด, ด้วยเนี่ยเคยเจออยู่ผมนี่เข้าใจแต่ถ้สุนทตามาพิดตลอาเลยนะเพิ่งเพิ่งจะมาเก็ตตอนคุณโชโฮพูดเมื่อกี้นี่นแหละอ๋อครับก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ถือว่าได้ประโยชน์ก็ในทางทางประโยชน์ของทางความรู้นะครับ จริงๆจริงๆเรื่องสุญญาตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันเหมือนเป็นคําที่มันไกลตัวเนาะแต่ว่ า, เ, าเวลาผมตั้งห้องมาผมก็จะตั้งห้องให้แบบคือพยายามจะเอาคําบาลีพวกเนี้ยมาย่อยนะครับแล้วก็มาตั้งเป็นหัวข้อนะแล้วก็มาลองมาเปรียบเทียบดูว่าแต่ละความเชื่อครับเป็นอยงครับเชิญคุณฟีคําว่าสุญญาตาเราแปลงงี้ได้ไหมสุญญะตาก็คือแปลว่าบ้างเปล่าจากความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนใช่ไหม ประมาณนี้ ไ, ได้แปลประมาณนั้นก็ได้สุญญตาคือว่างจากอัตตาความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมที่เขาว่าจิตว่างอะ่ะประมาณนั้นก็ได้ครับผม <Okay. S 1> คุณซีเอชด